และภูมิประเทศก็ไม่อำนวยให้มันพลู ก, กันเข้ามาสู้กับลูกปืนของเราได้จำนวนมากกว่านั้นมันจะต้องทยอยกันเข้ามาเพราะทางที่จะผ่านเข้าทั้งสี่ด้านเป็นช่องแคบเชื่อว่าก่อนฟ้าสางมันอาจถอยเกวียนกับสัมภาระเข้าของส่วนใหญ่ทั้งหมดของเรายัางทิ้งกระดาเกือนอยู่นั่นถ้าระเบิดปากด่านทั้งสี่ด้านนั่นโดยไม่จาเป็นหินอาจพังทลายลงมาทับเกวียนและเข้าของของเราเสียหายหมดก็ได้ การระเบิดควรจะตัดสินใจทําในวินาทีสุดท้ายที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆหญิงสาวงานไปเพราะจำนวนตะเหตุผลของเขาทำไมนะทำไมแหว่งถึงไม่นำฝูงโผลออกมาให้เห็นชายยันสบทสบานรั่นแกอาจเห็นมันขณะที่งวงหรืองาของมันถึงตัวแกแล้วก็ได้ชายยันผู้ตอบมาพร้อมกับเสียงหัวเราะแต่งๆคือเชา่าแล้วก็หันมาทางพรานใหญ่อีกครั้งปาดแขนเสือ้อขึ้นเช็ดเหงือ่อ ผมสงสัยว่าพวกมันไม่ใช่เป็นร้อยเสียแล้วน่าจะเป็นพันพนตัวทีเดียวรับผินสั่นศีษะช้าช้ากลืนน้ำลายลงคออันแห้งผากแล้วดื่มน้ำจากกระบอกกลั่มคอผมสา ร, รภาพตามตรงครับเดี๋ยวนี้ผมดาวอะไรไม่ถูกเลยรู้อย่างเดียวว่าพวกมันมากหรือเกินมากอย่างชนิดไม่เคยมีช้างโขงไหนรวมกันได้อย่างนี้มาก่อนแล้วก็มีเจตนามุ่งมั่นพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่จะทำลายล้างพวกเราทั้งหมดให้ได้ชนิดเอาชีวิตเข้าแลกทีเดียวมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดผิดธรรมชาติไปมากเนื้อไปไม่ถึงเลยว่าไอ้แหง่งจะมีอิทธิพลยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชืฐอากล่าวอย่างหนักใจหลีตามองลงไปยังทราบช้างทั้งหลายที่กองอยู่กราดเกลื่อนเบื้องล่างมันตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถไปชักนาช้างทั้งป่าให้มาทุ่มเทชีวิตทาสงครามกับเราได้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 เมื่อได้ยินเสียงไรเตอร์ดังขึ้นใกล้ๆเงาตกคุ้มของพรานใหญ่ยืนอยู่ตรงหน้าไม่ยีพักเสียนหน่อยหรือครับฉันไม่เก่งพอที่จะหลับได้ลงในสถานการณ์อย่างนี้หรอกกำลังภาวนาอยู่ว่าเมื่อไหร่มันจะเข้าเช้าสิทีหลอนตอบเสียงแผ่วเบาหยิบบุหรี่ขึ้นมาจุดสูบบ้างอัดควันลึกเลื อ, ลอขึ้นศบตาเขาถามบาต่อมาว่าบอกหน่อยได้ไหมเมื่อไหร่มันจะยกคลเข้าโจมตีเราอีก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 ไพ่มาถึงเมื่อใดก็ตื่นขึ้นเผชิญรับหน้ากับมันเมื่อนั้นดาลินถอนใจเบาๆยกมือขึ้นรูปใบหน้าฉันยอมรับว่ายัางไม่ถึงขั้นนั้นตามปกติฉันเองก็เป็นคนหลับยากอยู่แล้วไม่เหมือนพี่ใหญ่กับชา ย, ยันแม้กระทั่งการใช้ชีวิตอยู่ในเมืองใช่ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นพลานใหญ่ซุดกายลงนั่งบนแง่หินหวางไเฟินพิงไว้ ตาเข้มสีเหล็กทั้งคู่จับนิ่งมาที่นักประชายสาวอันอยู่ในฐานะนายจ้างดาดินเเชิญสายตาของเขาครู่หนึ่งก็เมินอัดบุรีอีกครั้งเดาะปลอกลูกปืนเล่นอย่างปราศจากความหมายฉันเป็นคนคิดมากเลยนอนไม่ค่อยหลับมีอะไรที่จะต้องคิดมากสําหรับชีวิตของสาวสวยรวยทรัพย์สูงสักมากด้วยปัญญาอย่างหม่อมราชวงศ์หญิงดาดินวราฤทธิ์ชีวิตชนิดนี้น่าจะเต็มไปด้วยความสุขสรรหันษา ถ้ามันเป็นอย่างที่คุณว่ามันก็ควรจะดีมากแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นหล่อนพึมพามใบหน้างามขึ้มเยือกเย็นทำไมดาลินตวัดสายตา ม, มาจ้องอย่างรวดเร็วยืดไหลขึ้นอย่างถือตัวเอ๊ะนี่คุณเป็นใครนี่ถึงได้มาซักถามฉันอย่างนี้ก็เห็นยิ้มกว้างๆปรากฏขึ้นที่มุมริมฝีปากอันคึ้มไปด้วยหนวดคราวขยับปีกหมวกให้นิดหนึ่งเหมือนจะส่งการคารวะมาให้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 ต้องการจะสัมภาษณ์ชั้นงั้นหรือคุยกันตาหากถ้าพอจะคุยกันได้อย่างน้อยมันก็ยังช่วยให้ประสาทคลายความตึงเครียดลงไอแหว่งมันทําให้ประสาทของฉันตึงเครียดมากแล้วแต่คนบางคนอาจทําให้ฉันต้องเครียดยิ่งไปกว่านั้นก็ได้ถ้างานยิ่งดีใหญ่เรื่องไอแหว่งจะได้กลายเป็นเรื่องเล็กไปคุณหญิงยังไม่ได้ตอบคําถามของผมหญิงสาวยกขวดบรั่นดีขึ้นจิบยิ้มแค่นแครน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 อีกฝ่ายยักไกลเราสัญญาว่าจะแต่งงานกันแล้วจูจ่ๆเขาก็าไปแต่งงานเสียกับผู้ชายอีกคนหนึ่งเป็นนิยายรักเรื่องสั้นๆแต่งขึ้นโดยนักประพันธ์หัวทึบที่ใช้พลัดซ้ำๆโดยไม่ยอมแหวกแนวเสิบ้างเลยมันก็ไอแค่นั้นเองตาของหลอนมีแววยิ้มทำไมละ่ะพระลองดีกว่าพระเอกนะสิเพราะเรื่องมันทานองนั้น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 คื อ, อยานักษาแผลหัวใจของผมหัวใจแตกไปหลายเสียงสินะไม่เป็นเสียงหรอกแต่มันปุป่นยุ่ยเป็นพัสมัทธุรีไปทีเดียวเดี๋ยวนี้ละ่ะก็ยังยับเยินอยู่ทำไมไม่หาใครมาประสานแผลหัวใจให้เข็ดแล้วพอกันทีสำหรับผู้หญิงถึงงั้นเทียวตั้งปณิพธานไว้เช่นนั้น จริงจังต่อชีวิตหรือเกินนะผมเป็นคนซื่อก็คิดว่าคนอื่นจะซื่อเหมือนอย่างผมเจอคนหลอกลวงเข้าครั้งเดียวก็เลยขวัญเสียเข็ดข้ากระดูกดำหม่อมราชวงศ์หญิงดารินเอียงไปหน้าน้อยๆยริมฝีปากปรากฏรอยยิ้มพูดแผ่วเบาเหมือนจะรำพึงกับตนเองอ๋อมิน้าร่ะเพิ่งจะได้คําตอบรู้แน่เอาเดี๋ยวนี้เองคําตอบอะไรคุณเกลียด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 อย่ามองฉันหนึ่งแง่เยียดยามดูหมิ่นเกินไปนักถ้าคุณหญิงไม่เคยหักอกใครไม่เคยรอกลวงมดเทศใครมาก่อนในเรื่องของความรักก็ได้โปรดรับคาระวะจากใจจริงของผมไปเดีน๋นี้ดารินหัวเราะเสียงใสกังวานสลัดเส้นผมปลิวลงมาปลกหน้าให้สยายไปเคลียร์อยู่บนไหลถ้าเช่นนั้นฉันก็ขอรับเกียรติในข้อนี้อย่างบริสุทธิ์ภาคภูมิทีเดียว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 มักจะโรดผลโจนทยาในแบบฉบับของผู้ชายฉันชอบกีฬาหนักๆของผู้ชายทุกชนิดชอบการระชนภายและศึกษาค้นคว้าในสิ่งใหม่ๆแปลกๆร่อนเว้นระยะยิ้มออกมานิดหนึ่งเป็นยิ้มเศร้าๆครั้งแรกที่ระพินภัยวันมองเห็นแต่นั่นแหละจะอย่างไรก็ตามมนุษย์เราหนีกฎของธรรมชาติไปไม่พ้นทุกครั้งที่ฉันว่างเว้นจากตาราเรียนไม่มีอะไรที่จะคิด เมื่อนั้นฉันตกเป็นธาตุของอารมณ์ฉันคิดถึงตัวเองคิดถึงอนาคตที่กาหนดไม่ได้ชัดว่ามันจะเป็นไปในรูปใดฉันจะอยู่เป็นสาวแก่อย่างนี้ตลอดไปพร้อมด้วยดีกรีพ่วงท้ายอันยาวเหยียดมากมายอย่างนี้นะหรือปัญหาข้อนี้ปุดขึ้นกับตัวเองครั้งใดมันทำให้ฉันหนาวสะทานเข้าไปถึงคู่หัวใจมันเป็นสาเหตุให้นอนไม่ค่อยหลับนี่คือคาตอบอย่างตรงที่สุดที่ฉันจะให้แก่คุณได้ ทดแทนให้แก่การเปิดเผยเรื่องชีวิตของคุณอย่างตรงไปตรงมาพอใจหรือยังคะคุณรพินภัยวันคนถูกผู้หญิงหักอกพรานใหญ่ก้มศรีรษะลงอย่างสุภาพเป็นคำตอบที่ให้เกียรติแกผมอย่างยิ่งขอรับคุณหญิงดาลินถ้าหากไม่เป็นการร่ราประลวงเกินไปนักผมอยากจะขออนุญาตท้วงอะไรคุณหญิงสักนิดชันอนุญาตคุณหญิงมัวแต่คอยเลือก เทพระบุตรในฝันพิถีพิถันเกินไปก็เลยทำให้ต้องเป็นโรคคิดมากนอนไม่หับอยู่เช่นนี้นักมนุษยวิทยาคนสวยพงกศีรษะรับอย่างชัดถ้อยชัดคำว่าใช่ฉันยอมรับในข้อนี้คุณคงจำบทในพระราชนิพนธ์ได้แม้แผ่นดินสิ้นชายจะพึงเชยอย่ามีคู่เสียเลยจะดีกว่าฉันยึดถือข้อนี้แหละเทพบุตรในฝันของฉัน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 คนอะไรก็ไม่รู้มาชวนคุยแล้วก็แอ บ, บนี้หลับไปเสียง่งายๆโดยไม่บอกกล่าวสิงั้นแหละหยิบก้อนหินข้างตัวขนาดเท่ากําปั้นก้อนหนึ่งขึ้นมาหมายจะคว้างปลุกขึ้นมาต่อว่าที่จู่ๆก็หนีหลับไปเสียเฉย ๆ, ๆแต่แล้วก็ชะงักเปลี่ยนความตั้งใจเพราะคิดเวทนาทุกคนร่วนเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพียอิดโรยกันทั้งสิน้นและสําหรับเขาผู้นั้นก็น่าจะหนักยิ่งกว่าคนอื่นๆเสียด้วยซ้ําแทบจะเรียกได้ว่า ไม่มีเวลาได้พักผ่อนเลยโดยบรรยากาศอันคลุมเครือที่มองเห็นการเพียงเงาตะคุ่มหล่อนทอดมองไปยังร่างนั้นเงียบเงียบชั่วขณะหนึ่งที่ความคิดกำเนงเรื่อนรอยไปไกลหัวนึกไปถึงเหตุการณ์วันที่พบเห็นรู้จักการเป็นครั้งแรกก่อนเซ็นสัญญานำทางแล้วก็ยังไปถึงคืนวันที่หลงป่าอยู่ด้วยกันเพียงสองต่อสองหญิงสาวไม่อาจบอกตนเองได้ถูกว่า มีความรู้สึกเช่นไรในขณะนี้ครั้นแล้วโดยฉับพลันกระทันหันชนิดที่ตนเองก็ไม่รู้สึกตัวหัวใจของหล่อนก็ตั้งคำถามออกมาว่าสวยสักขนาดไหนนะผู้หญิงคนที่ทำให้อกหักนะเจ้ากรรมเหลือเกินคนถูกถามมอยหลับไปเสียแล้วเท่าๆกับคนที่ถามก็ถามอยู่แต่เพียงกระแสะความคิดเท่านั้น ใครก็ตามที่เผลอตัวนั่งม้อยไปถูกปลุกให้ผวาขึ้นอีกครั้งด้วยเสียงแผดกำปนาดของปืนซึ่งระเบิดเซ็งแท่ประสานกันขึ้นราวกับประทัดตุจีนนายมันบุกเข้ามาอีกแล้วเป็นเสียงตะโกนก้องของพวกที่เฝ้ายามอยู่ภาพแรกที่ม่านตาของลพินเปิดขึ้นมาพบก็คือดารินกับแง่ า, ายยืนกันคนละมุมโขดหินใหญ่กำลังประทับปืนอยู่ในบ่าปล่อยกระสุนแข่งกันลงไปอย่างรวดเร็วถี่ยิบ เปลวไฟแรบแดงฉานในความมืดพ่นออกทางปากกระบอกอากาศรอบตัวถูกแรงอัดบูบวาบจนชาไปหมดในทุกครั้งที่มันแผดเปรี้ยงขึ้นเขากับเชษ่ยนถาได้ชา ย, ยันเพ่นขึ้นยืนเกือบจะเป็นเวลาเดียวกันในขณะที่ปืนรอบด้านลั่นอยู่เอ็ดอึงจนหูอื้อระวังยิงให้เร็วที่สุดมันบุกเข้ามาใหญ่แล้วชยยัยร้องรัน่นกดจฝขนาดยากออกไปติดติดกันทั้งสองลำกล้อง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 มันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ก้อนหินขนาดครบตามค่าลูกหนึ่งกลิ้งลงมาอย่างรวดเร็วกระทบชะ ง, ง่อนตอนนั้นดังเหมือนฟ้าผ่าจนแตกกระจายเป็นฝุ่นแล้วมันก็กระดอนลงไปสู่เบื้องต่ําเฉียดเข่ากับชายยานผู้นอนผังผ้าหลบอยู่ในขณะนี้ไปเพียงวาเดียวเกือบจะแตกเหลวยับเยินไปด้วยกันเชษฐานั้นยืนห่างออกไปกด้านหนึ่งมาได้สติทันทันกับพรานใหญ่หัวหน้าคณะเดินทางยกเท้าถีบหลังน้องสาว ผู้ยืนตะลึงอยู่เบื้องหน้าเขาอย่างเต็มเนียวร่างของดาดินปลิวกระเด็นตามแรงถีบนั้นล้มกลิ้งเข้าไปใต้บริเวณแผ่นผาชันหลบอยู่ที่นั่นน้อยอย่าเงยขึ้นมาพี่ชายตะโกนบอกเสียงหลงแล้วคุ้มตัวลงต่ำแต่เชษฐาช้าไปเสียแล้วเพอหมวพะวงช่วยน้องสาวก็อนหินขนาดโองมังกรที่กลิ้งตูมตามลงมาราวกับรถบนถนนก้อนนั้นกระโจนผ่าชะงอนผาที่ดาดินถูกถีบลงไปล้มกลิ้งอยู่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 นายหญิงอย่าลุกขึ้นแง่าสายนั่นเองที่กดร่างของหล่อนไว้พี่ยหญด่ารินร้องแหลมสถานกล้องรู้สึกเหมือนชีวิตของตอนเองจะปิดปลิวออกไปจากร่างพยายามดิ้นรนอย่างสุดฤทธิ์พี่ใหญตกลงไปแล้วแง่าสายจับนายหญิงเอาไว้อย่าให้เงยขึ้นมาในความมืดอันสับสนเสียงรถพินแผดตะโกรนระร่าระลับอกมาตัวเองพุ่งออกจากที่กําบางเดิมอย่างไม่คิดชีวิต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 ฟังเสียงก้อนหินถล่มผ่านอยู่เหนือหัวเป็น ร, รอบเช่นนั้นเกิดศาสตร์ไฟฉายอย่างสวิตระเบิดผ่านโครงช้างเบื้องล่างที่เห็นยั้วเยื้อราวกับนอนพอจับเป้าหมายอันเป็นกระดาษสะท้อนแสงที่พ่านใหญ่ติดไว้อย่างหม้อบแบตเตอรี่ได้ถนัดจันเสยได้บุญคำก็เล่งยิงออกไปพร้อมกันโดยไม่นับสุดแล้วแต่ใครจะมองเห็นจากมุมไหนเสียงปืนจากพ่านพื้นเมืองของรพินลั่นขึ้นติดติดกันสามสี่นัด พลิปนาต่อมานั่นเองแผ่นดินและโขดขาวรอบด้านก็สถานคลืนขึ้นด้วยเสียงระเบิดกำปนาตของมันกรบสับสํมเนียงอันวุ่นวายอยู่ในขณะนี้หมดสิน้นโลกบริเวณนั้นทั้งหมดปรหนึ่งว่าจะพลิกคว่ำลงและแยกออกเป็นสิ่งเสียเส่ยงทุกชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดในขณะ น, นี้รู้สึกตนเองว่าถูกแรงอัดมหาสารดันให้พงะลอยขึ้นจากพื้นเคว้งคว้างเหมือนถูกปลิดปลิวไปยังอีกโลกหนึ่ง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 ก็พลอยล้มละเ น, ะนระนาดแหลกเป็นแปลงสิ่งที่จะพึงสำเนียกได้ในเวลาต่อมาก็คือช้างป่าโครงนั้นมีอยู่สักกี่ร้อยตัวก็ตามบตดนี้พากันแตกกระจายไม่เป็นขบวนวิ่งร้องป่าราบไปอย่างตื่นตระหนก อ, อกสั่นขวัญแขวนพวกมันยอมร่าถอยให้แล้วแก่อนุภาพฤทธิเดชของระเบิดซึ่งมีอำนาจอยู่เหนือความดุร้ายบ้าเลือดของพวกมันกลางวาระเบิดหายไปแล้ว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 ส่วนชายยานคลางออกมาคำหนึ่งยืนตรึงไปในบัดนั้นภายใต้ซอกหินร่างของเชี่านอนสนิทแน่นิ่งอยู่ในบริเวณอันจำกัดนั้นหินใหญ่ขนาดตุ่มสามโคก้อนหนึ่งอันเป็นหินที่ถูกกลิ้งลงมาจากยอดเนินบัดนี้เบียดพิงอยู่กับโขดหินที่งอกอยู่เดิมคล่อมร่างของหัวหน้าคณะเดินทางไว้เป็นช่องแคบนิดเดียวไม่มีทางที่จะขยับเขลื่อนยื่นร่างของเชี่าออกมาได้ นอกจากจะเคลื่อนหินที่ทับอยู่ข้างบนก้อนนี้ออกเสียก่อนไฟฉายทุกรวงที่ระดมกันสาดจ้าเข้าไปส่องเห็นล่างของเชถืถาผาดผาดในบางส่วนนอนนิ่งไม่ขยับเขยื้อนเลือดไหลนองชัยยานได้สติแววกพวกลูกหลาบที่พากันมุงอยู่ตรงเข้าไปโดยเร็วใครจะพูดกันอย่างไรในขณะนี้ดารินไม่ได้ยินหูของหลอนลั่นอื้อไปหมดดวงตาทั้งสองพร่าพาย